ตอนการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์แปลจากนิตยสารเฟตเดือนกุมภาพันธรรุ์คริศักราช1970